มาบทแปลเรื่องที่ห้าเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าประเรจะณวิญญาณติเป็นต้นตอนพระวินัยทร ับพระธรรมกถกถกเถียงกันเรื่องวินัยความพิสดารว่าภิกษุสองรูปคือพระวินัยทรรูปหนึ่งพระธรรมกถึกรูปหนึ่งมีบริวารรูปละห0 0ได้อยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีวันหนึ่งในภิกษุสองรูปนั้นพระธรรมกถึกไปฐานแล้ว เวนน้ําชําระที่เหลือไว้ในภาชนะที่ซุ้มน้ําแล้วก็ออกมาภายหลังพระวินัยทรเข้าไปที่ซุ้มน้ํานั้นเห็นน้ํานั้นออกมาถามพระธรรมกถถึกนอกนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านเหลือน้าไวหรือพระธรรมกถาถึกขอรับผู้มีอายุ พระวินัยทรก็ท่านไม่รู้ว่าอาบัตในประการเหลือน้ําไว้นิ้วหรือพระธรรมกถึกขอรับผมไม่ทราบพระวินัยทรไม่รู้ก็ช่างเถอดผู้มีอายุเป็นอาบัตในข้อนี้พระธรรมกถาึกถ้าอย่างนั้นผมจะทําคืนอาบัตนั้นเสียพระวินัยทร ผู้มีอายุก็ถ้าว่าข้อนั้นท่านไม่แกล้งทำเพราะความไม่มีสติอาบัตไม่มีประธรรมกรถึกนั้นได้เป็นผู้มีความเห็นอาบัตนั้นว่ามิใช่อาบัตฝ่ายพระวินัยทรได้บอกแก่พวกนิสิตของตนว่าประธรรมกรถึกรูปนี้แม้ต้องอาบัตก็ไม่รู้ พวกนิสิตพระวินัยทอนนั้นเห็นพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นแล้วได้กล่าวว่าพระอุปชาของพวกท่านแม้ต้องอาบัตแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นไปแจ้งแก่พระอุปชาของตนแล้วพระธรรมกถึกนั้นพูดอย่างนี้ว่าพระวินัยทอนรูปนี้เมื่อก่อนพูดว่าไม่เป็นอาบัต เดี๋ยวนี้พูดว่าเป็นอาบัติพระวินัยทรนนั่นพูดมุสาพวกนิสิตของพระธรรมกฐึกนั้นไปกล่าวว่าพระอุปชาของพวกท่านพูดมุสาพวกนิสิตของพระวินัยธรและพระธรรมกฐึกนั้นทําความทะเลาะ ก, กันและกันให้เจริญแล้วด้วยประการอย่างนี้ภายหลังพระวินัยทรได้โอากาส จึงได้ทำอุเคปนิยกรรมแก่พระธรรมกฐึกพระโทษที่ไม่เห็นอาบัติจำเดิมแต่การนั้นแม้พวกอุปถาผู้ถวายปัจจัยของภิกษุสองรูปนั้นก็ได้เป็นสองฝ่ายพวกภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีพวกอารักขเทวดาก็ดีของภิกษุสองรูปนั้นพวกอากาสัตถเทวดา ผู้เพื่อนเห็นเพื่อนคบของพวกอารักขเทวดาเหล่านั้นก็ดีพวกปุถุชนทั้งปวงก็ดีได้เป็นสองฝ่ายตลอดจนพรมโลกก็โกลาหนกึกกล้องเป็นเสียงเดียวได้ขึ้นไปจนถึงอัคนิธภ พ, พตอนพระศ า, าสดาตรัสสอนให้สามัคคีกันครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้ากราบทูลการที่พวกภิกษุผู้ยกวัดถือว่าพระธรรมกถถึกรูปนี้ทรงยกเสียแล้วด้วยกรรมที่ประกอบด้วยธรรมแท้และการที่พวกภิกษุผู้ประพฤติตามธรรมกถึกผู้ที่ทรงยกเสียแล้วถือว่าพระอุปชาของพวกเราทรงยกเสียแล้ว ด้วยกรรมซึ่งไม่ได้ประกอบด้วยธรรมและการที่พวกภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถกผู้ที่สงยกวัดเหล่านั้นแม้อันพวกภิกษุผู้ยกวัดห้ามอยู่ก็ยังขืนเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถึกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งโอวาทไปว่าในว่าภิกษุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกัน ถึงสองครั้งทรงสดับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พร้อมเรียงกันครั้งหนที่3มทรงสดับว่าภิกษุสง์แตกกันแล้วภิกษุสงแตกกันแล้วดังนี้จึงเสด็จไปสู่สํานักของเธอทั้งหลายแล้วตรัสโทษในการยกวัดของพวกภิกษุยกวัด และโทษในการไม่เห็นอาบัตของพวกภิกษุนอกนี้แล้วทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถเป็นต้นในสีมาเดียวกันที่โคสิตารามนั่นเองแก่เธอทั้งหลายอีกแล้วทรงบัญญัติวัดในโรงฉันว่าภิกษุทั้งหลายพึงนั่งในแถวมีอาสนะหนึ่งหนึ่งในระหว่างในระหว่างดังนี้เป็นต้นแก่เธอทั้งหลาย เพื่อเกิดการแตกร้าวในสถานทั้งหลายมีโรงฉันเป็นต้นแล้วทรงสดับว่าถึงเดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังเกิดการแตกร้าวกันอยู่จึงเสด็จไปที่โคสิตารามนั้นแล้วตรัสห้ามว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกท่านอย่าได้ทำการแตกร้าวกันดังนี้เป็นต้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าการแตกก้าวการทะเลาะการแข่งแย่งและวิวาทนั้นทําความฉิบหายให้แท้จริงแม้นางนกละตุ ก, กิกาอาศัยการทะเลาะกันยังอาจทําพระยาช้างให้ถึงความสิ้นชีวิตดังนี้แล้วตรัสละตุ ก, กิกาชาดกแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขอพวกท่านพร้อมเรียงกันเถิด อย่าวิวาดกันเลยเพราะว่าแม้นกกระจาบตั้งหลายพันอาศัยความวิวาดกันได้ถึงความสิ้นชีวิตดังนี้แล้วตรัสวัตกาชาดกตอนตรัสสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อแม้อย่างนี้พวกภิกษุก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำ เมื่อภิกษุผู้ธรรมวาทีรูปใดรูปหนึ่งไม่พอใจให้ตถาคตเจ้าทรงลำบากกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เจ้าของแห่งธรรมทรงร อ, อก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความขวนขวายน้อยมันประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏธรรมอยู่เถิด พวกข่าพระองค์จกปรากฏเพราะการแตกร้าวการทะเลาะการแก่งแย่งและการวิวาดนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึงความที่พระเจ้าทีคีติโกสลราชถูกพระเจ้าพรหมทัตชิงเอาสมบัติปลอมเพศไม่ให้ใครรู้จักเสด็จอยู่ในเมืองพาราณสีถูกจับปรงพระชนเสีย และความที่พระเจ้าพรมทัตและทีคาวุกุมาเหล่านั้นพร้อมเพรียงกันจําเดิมแต่เมื่อทีคาวุกุมารยกประชนของพระองค์ถวายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ได้เคยมีแล้วในเมืองพารณสีได้มีพระเจ้ากรุงกาสีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าพรมทัตดังนี้เป็นต้น แม้ตรัสสอนว่าปรกสุทั้งหลายความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมเห็นป่านนั้นยังได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้มีไม้อันถือไว้แล้วผู้มีสัตราอันถือไว้แล้วข้อที่ท่านทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่กล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในธรรมวินัยนี้แล ภิกษุทั้งหลายดังนี้แล้วก็ไม่สามารถจะทำเธอทั้งหลายให้พร้อมเพรียงกันได้เลยตอนพระสัสดาทรงระอาจึงเสด็จหนีไปจำพรรษาอยู่ปารักขิตวันพระองค์ทรงระอาพระไทยเพราะมีความอยู่อาเกียนนั้นทรงพระดำริว่า เดี๋ยวนี้เราอยู่อาเกียนเป็นทุกข์และภิกษุเหล่านี้ไม่ทําตามคําของเราถ้าอย่างไรเราพึ่งหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวดังนี้สเสด็จเที่ยวบินทบาตในเมืองโกสัมพีไม่ตรัสบอกพระภิกษุสงฆ์ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์สเสด็จไปภารกะโลนการามแต่พระองค์เดียว ตรัสเอกจริยวัตรแก่พระภคุเถระที่ภาละกะโลนการามนั้นแล้วตรัสอนิสงฆ์แห่งสามัคคีรถแกกุลบุตรสามคนในมิกทยวันชื่อปาจีนวังสะแล้วเสด็จไปทางบ้านปาริเลยยกะดังได้สดับมาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอาศัยบ้านปาริเลยยก ะ, สะเสด็จจะพันศาอยู่ที่ควงไม้สาละใหญ่ในราวป่ารักขิตวันอันช้างปาริเลยยกะอุปถากอยู่เป็นผาสุกตอนพวกอุบาสกทรมานภิกษุฝ่ายพวกอุบาสกผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีแลไปสู่วิหารไม่เห็นพระสัต์ดา จึงถามว่าพระศาสดาสเสด็จอยู่ที่ไหนขอรับภิกษูเหล่านั้นกล่าวว่าพระองค์ทรงสเสด็จไปสู่ราวป่าปาริเลยกะเสียแล้วอุบาสกเพราะเหตุอะไรขอรับภิกษูพระองค์ทรงพยายามจะทำพวกเราให้พร้อมเพรียงกันแต่พวกเราหาได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันไม่อุบาสก ข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงทำสามคัคคีไม่ได้เป็นผู้สามัคคีกันแล้วหรือภิกษุอย่างนั้นแลผู้มีอายุพวกมนุษย์คิดกันว่าภิกษุพวกนี้บวชในสำนักของพระศาสดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงทำสามัคคีอยู่ ก็ไม่สามาคัคคีกันแล้วพวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดาพระอาศัยภิกษุพวกนี้พวกเราจะไม่ถวายอาสนะจะไม่ทำสามีจิกรรมมีการไหว้าาเป็นต้นแกภิกษุพวกนี้จำเดิมแต่นั้นมาก็ไม่ทำแม้สักว่าสามีจิกรรมแก่พวกภิกษุนั้นเธอทั้งหลายสูบซีดเพราะมีอาหารน้อย โดยสองสามวันเท่านั้นก็เป็นคนตรงแสดงโทษที่ล่วงเกินแก่กันและกันต่างรูปต่างขอขมากันแล้วกล่าวว่าอุบาสกทั้งหลายพวกเราพร้อมเรียงกันแล้วฝ่ายพวกท่านขอให้เป็นพวกเราเหมือนอย่างก่อนอุบาสกพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือขอรับภิกษุ ยังไม่ได้ทูลขอเข้ามาผู้มีอายุอุบาสกถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านทูลขอเข้ามาพระสัสดาเสียฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะเป็นพวกท่านเหมือนอย่างก่อนในการเมื่อพวกท่านทูลขอเข้ามาพระสัสดาแล้วเธอทั้งหลายไม่สามารถจะไปสู่สํานักของพระศัสดาเพราะเป็นภายในพรรษายังภายในพรรษานั้น ให้ล่วงไปได้ด้วยยากตอนช้างปาริเลยกะอุปถัมภ์พระศัส ด, สดาฝ่ายพระศัส ด, สดาอันช้างนั้นอุปถากอยู่ประทับอยู่สํำราญแล้วฝ่ายช้างนั้นละฝูงเข้าไปสู่ราวป่านั้นเพื่อต้องการความอยู่ผาสุกพระธรรมสังคาหากาจาร์กล่าวไว้อย่างไร พระธรรมสังข า, ากาจาร์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นความตรีได้มีแก่พระยาช้างนั่นว่าเราอยู่อาเกียนด้วยพวกช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเคี้ยวกินหญ้าที่เขาเด็ดปลายเสียแล้วและเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้ที่เราหักลงหักลงและเราดื่มน้ำที่ขุน เมื่อเราลงและขึ้นสู่ท่าแล้วพวกช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปถ้าอย่างไรเราจะหลีกออกจากหมู่อยู่ตัวเดียวครั้งนั้นแลพระยาช้างนั้นหลีกออกจากโขลงเข้าไปณนะบ้านปาริเลยยกะเราป่ารกิตวันข่วงไม้สาละใหญ่และที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่แล้ว ก็แลครั้งเข้าไปแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแลดูอยู่ไม่เห็นวัตถุอะไรอะไรอื่นจึงกระทืบควงไม้สาละใหญ่ด้วยเท้าถากให้เรียบถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาดตั้งแต่นั้นมาพระยาช้างนั้นจับหม้อด้วยงวงตักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้ เมื่อทรงพระประสงค์ด้วยน้ำร้อนก็จัดน้ำร้อนถวายพระยาช้างนั้นจัดน้ำร้อนได้อย่างไรพระยาช้างนั้นสีไม้แห้งด้วยงวงให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วกลิ่งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้ทิ้งลงในสะพังน้อยที่ตัวกาหนดหมายไว ลำดับนั้นย่อนงวงลงไปรู้ว่าน้ําร้อนแล้วจึงไปถวายบังคมพระศัสดาพระสัสดาตรัสว่าปาริเลยยกะน้ําเจ้าต้มแล้วหรือดังนี้แล้วเสด็จไปสงในที่นั้นในการนั้นพระยาช้างนั้นนําผลไม้ต่างอย่างมาถวายแด่พระศัสดา ก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าไปบ้านเพื่อบินธบาตพระยาช้างนั้นถือบาตรจีวรวางไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วรับสั่งว่าบาริเลยากาตั้งแต่ที่นี้เจ้าไม่อาจไปได้เจ้าจงเอาบาตรจีวรของเรามาดังนี้แล้วให้พระยาช้างนั้น เอาบาทจีวรมาถวายแล้วเสด็จเข้าบ้านเพื่อบินบาบส่วนพระยาช้างนั้นยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระศาสดาจะเสด็จออกมาในเวลาพระศาสดามาทำการต้อนรับแล้วถือบาทจีวรโดยในก่อนนาไปปรงลงหน้าที่ประทับอยู่แล้วถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้แสดงวัดอยู่ ในราตรีพระยาช้างนั้นถือท่อนไม้ใหญ่ด้วยงวงเที่ยวไปในระหว่างระหว่างแห่งราวป่ากว่าอารุณจะขึ้นเพื่อการอันตรายอันจะมีแต่เนื้อร้ายด้วยตั้งใจว่าจะรักษาพระศัสดาได้ยินว่าราวป่านั้นชื่อว่ารคิตตะวันสันทะจาเดิมแต่การนั้นมาครั้นอรุณขึ้นแล้ว พระยาช้างนั้นทำวัดทั้งปวงโดยอุบายนั้นนั่นแหลตั้งต้นแต่การถวายน้ำสงพระพักตอนวานอนถวายอร็รวงน้ำผึ้งในการนั้นวานอนตัวหนึ่งเห็นช้างนั้นลุกขึ้นแล้วขึ้นแล้วทำอภิสมาจาริกวัดคือการปฏิบัติแด่พระตถาคตเจ้าแล้วคิดว่า เราก็จะทำอะไรอะไรถวายบ้างเที่ยวไปอยู่วันหนึ่งเห็นรวงพึ่งที่กิ่งไม้หาตัวไม่ได้หากกิ่งไม้แล้วนำรวงพึ่งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปสู่สำนักพระสัสดาได้เด็ดใบตองรองถวายพระศัสดาส่งรับแล้ววานอนแลดูอยู่โดยคิดว่า พระศาสดาจากทรงธ ร, รมบริโภคหรือไม่เห็นพระศัสดาทรงรับแล้วนั่งเฉยอยู่คิดว่าอะไรหนอแลจึงจับปลายกิ่งไม้ปริกพิจารณาดูเห็นตัวอ่อนแล้วจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกเสียแล้วจึงได้ถวายใหม่พระศัสดาทรงบริโภคแล้ววานอนนั้น มีใจยินดีได้จับกิ่งไม้นั้นๆยืนฟ้อนอยู่ในการนั้นกิ่งไม้ที่วานอนนั้นจับแล้วก็ดีกิ่งไม้ที่วานอนนั้นเหยียบแล้วก็ดีหักแล้ววานอนนั้นตกลงที่ปลายตออันหนึ่งมีตัวอันปลายตอแถ่งแล้วมีจิตเลื่อมใสทํากาลกิริยาแล้วเกิดในวิมานทองสูง30โยชนโย ในพบดาวดึงมีนางอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารตอนพระยาช้างสังเกตดูวัดพระอานนท์การที่พระตถาคตเจ้าอันพระยาช้างอุปถกักตประทับอยู่ในราวป่ารกิตวันนั้นได้ปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิน้นตระกูลใหญ่ๆ คือท่านเศรษฐีอนานตบินิกะและนางวิสาขามหาอุบาสิกาอย่างนี้เป็นต้นได้ส่งสารจากนครสาวัตถีไปถึงพระนนนทีราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงแสดงพระาศาสดาแก่พวกข้าพเจ้าฝ่ายภิกษุห้าร้อยรูปผู้อยู่ในทิศจำบรรษาแล้วเข้าไปหาพระานนทีระวอนขอว่า พระอ น, นุลผู้มีอายุถ้ามีคถาในที่เฉพาะพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังนานมาแล้วอานนุ์ผู้มีอายุดีละ่ะข้าพเจ้าทั้งหลายพึงได้ฟังถ้ามีคาถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเถระักพาภิกษุเหล่านั้นไปนะที่นั้นแล้วคิดว่า การเข้าไปสู่สำนักพระตถาคตเจ้าผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสพร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้หาขวรไม่ดังนี้แล้วจึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้วเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาแต่รูปเดียวเท่านั้นพระยาช้างปาริเลยกะกัเห็นพระานนทิระนั้นแล้วถือท่อนไม้วิ่งไป พระศาสดาทอบพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าหลีกไปเสียปาริเลยะกะอย่าห้ามเลยภิกษุนั่นเป็นพุทธอุปถากพระยาช้างปาริเลยกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้วได้เอื้อเฟือถึงการรับบาดจีวรพระเถระไม่ได้ให้แล้วพระยาช้างได้คิดว่า ถ้าภิกษุรูปนี้จะมีวัดอันได้เรียนแล้วท่านคงจกไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับของพระศาสดาพระเถระได้วางบาทจีวรไว้ที่พื้นแล้วตอนไม่ได้สหายที่มีปัญญาเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าจริงอยู่ชนพูดถึงพร้อมแล้วด้วยวัด ย่อมไม่วางบริขารของตนไว้บนที่นั่งหรือบนที่นอนของครูพระยาช้างนั้นเห็นอาการนั้นได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วพระเถระอภิวาพระาศาสดาแล้วนั่งหน้าที่ส่วนข้างหนึ่งพระาศาสดาตรัสถามว่าอานน์เธอมาผู้เดียวเท่านั้นหรือ ทรงสดับความที่พระเถระเป็นผู้มาพร้อมกับภิกษุห0 0อแล้วตรัสว่าก็ภิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเมื่อพระเถระทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักเธอทั้งหลายไว้ข้างนอกมาแล้วแต่รูปเดียวตรัสว่าเรียกเธอทั้งหลายมาเถอ พระเถระได้ทําตามรับสั่งแล้วภิกษุเหล่านั้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งหน้าที่ส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาทรงทําปฏิสันผานกับเธอทั้งหลายแล้วเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอันสุ ข, ขุมและเป็นกษัตริย์อันสุ ข, ขุม พระองค์เสด็จยืนและประทับนั่งพระองค์เดียวตลอดไตรามาสทำกิจที่ทำได้ด้วยยากผู้ทำวัดและปฏิวัติก็ดีผู้ถวายน้ำสงฆ์พระพักก็ดีชฉอยจะไม่ได้มีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทั้งปวงของเราอ่านประยาช้างปาริเลยยกะทำแล้วก็อ่านบุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนี้ อยู่ด้วยกันขวรแล้วเมื่อไม่ได้สหายเห็นปานนี้ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้พาสิทธสามประกาถาในนาควัคเหล่านี้ว่าสเจละเพทะนิปกังสหายังสัตทิงจรังสาธุวิหาริทีรังอภิภุยยสบานิปริษยานิ เจริยะเตนัตะมะโนสติมาโนเจลเพทะนิปกังสหายังสัททิจรังซาทุวิหาริทีรังราชาวะระทั่งวิชิตังปะห้ายะเอกโกเจเรมาตังการเยวนาโกเอกสะจริตังไสยโยนัตถิบาเลสหายตาเอกโกเจเรณจะปาปานิกยิรา อโปโสโกมาตังกรัญเย ว, วนาโกถ้าบุคคลใดได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไสบุคคลผู้ได้สหายเห็นป่านนั้นควรมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตราย ซึ่งคอยเบียดเบียน ร, รับข้างทั้งปวงเสียแล้วเที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจามีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซบุคคลควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาผู้ลาแว่นแคว้นที่พระองค์ทรงชำระแล้ว สเสด็จอยู่แต่องเดียวและเหมือนประยาช้างอันชื่อว่ามาตังคะเที่ยว อ, อยู่ในป่าแต่เชือกเดียวการเที่ยวไปผู้เดียวประเสรฐกว่าความเป็นสหายไม่มีในพระชนพานบุคคลผู้ไม่ได้สหายเห็นป่า น, นั้นควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวและไม่ควรทำบากทั้งหลาย เหมือนพระยาช้างชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าแต่เชือกเดียวและหาได้ทําบาปไหม่ในการจบคาถาภิกษุเหล่านั้นทั้งห้าร้อยรูปตั้งอยู่ในพระรหัสตแล้วพระนนเถีระกราบทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านเศรษฐีอนาถาปินิกะเป็นต้น ส่งมาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกห้าโกรธมีท่านเศรษฐีอนาถบินธิกะเป็นหัวหน้าหวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่พระศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรจีวรดังนี้แล้วให้พระเถระรับบาตรจีวรแล้วเสด็จออกไปพระยาช้าง ได้ไปยืนขวางทางไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระยาช้างทำอะไรพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างหวังจะถวายพิขาแก่เธอทั้งหลายก็แลช้างนี้ได้ทำอุปการะแก่เราตลอดราตรีนาน การยังจิตของช้างนี้ให้ขัดเครืองไม่ควรภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายกลับเถิดพระศัสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแล้วฝ่ายช้างเข้าไปสู่ราวป่าแล้วรวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมาทําให้เป็นกล่องไว้ในวันรุ่งขึ้นได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ500รอรูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้หมดสิน้นในการเสร็จภารกิจพระศาสดาทรงถือบาทจีวรเสด็จออกไปแล้วพระยาช้างไปตามระหว่างระหว่างแห่งภิกษุทั้งหลายยืนขวางพระพักพระศาสดาไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างนี้ทําอะไร พระสัสดาภิกษุทั้งหลายช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้วชวนให้เรากลับภิกษุอย่างนั้นหรือพระองค์ผู้จเจริญพระสัสดาอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายตอนช้างทากาละไปเกิดเป็นเทพบุตรลลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกับช้างนั้นว่าปาริเลยยกะนี้ความไปไม่กลับของเราชางก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้เจ้าหยุดอยู่เถิดพระยาช้างได้ฟังรับสั่งดังนั้นแล้วได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้เดินตามไปข้างหลังข้างหลัง ก็พระยาช้างนั้นเมื่อเชิญพระศาสดาให้กลับได้เพิ่งปฏิบัติโดยอาการนั้นแลจนตลอดชีวิตฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านนั้นแล้วตรัสว่าปาริเลยยกะกจำเดิมแต่นี้ไปมิใช่ที่ของเจ้าเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดหยุดเถิด ช้างนั้นยืนร้องห้าอยู่ในที่นั้นครั้นเมื่อพระศัสดาทรงลักครองจากสุ่ไปมีหัวใจแตกทากาละแล้วเกิดในถ้ำกลางนางเทพอับสรนพันหนึ่งในวิมานทองสูงส0มสิโยตในภพดาวดึงพระความเลื่อมใสในพระสัสดาชื่อของเทพบุตรนั้นว่าปาริเลยะกะเทพบุตรฝ่ายพระศัสดา ได้เสด็จถึงประเชศตะวันแล้วโดยลําดับตอนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศัสดาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสดับว่าได้ยินว่าพระสัสดาเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วได้ไปณที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดาพระเจ้าโกศลทรงสดับว่า ได้ยินว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าพระศัสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แวนแควนของหมอมฉันพระสัสดาตรัสตอบว่าดูก่อนมหาราชภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีล แต่ไม่ถือเอาคำของอาตมาภาพเพราะวิวาทกันและกันเท่านั้นบัดนี้เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอาตมาภาพดูก่อนมหาราชขอภิกษุเหล่านั้นจงมาเถิดฝ่ายท่านเศรษฐีอนาถบิติกะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จากไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหาร ดังนี้แล้วถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้นได้นิ่งแล้วก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประธานเสนาสนะส่วนข้างหนึ่งทำให้เป็นที่สงัดแกเ่เธอทั้งหลายภิกษุเหล่าอื่นไม่นั่งไม่ยืนร่วมกับภิกษุพวกนั้น พวกชนผู้มาแล้วมาแล้วทูลถามพระสัจดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกคราวเหล่านั้นพระสัจดาทรงแสดงว่าพวกนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้นถูกพวกชนผู้มาแล้วมาแล้วชี้นิ้วว่าได้ยินว่า นั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นดังนี้ไม่อาจจะยกศรีรษะขึ้นเพราะความอายฟุบลงแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอกมาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักแล้วชื่อว่าเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราเมื่อเราทำความสามัคคีอยู่ไม่ทำตามคำของเราฝ่ายบัณฑิตอันมีในปางก่อนสะดับโอวาทของมารดาและบิดาผู้ต้องประหารชีวิตเมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปลงชีวิตอยู่ ก็ไม่ร่วงโอวาดนั้นภายหลังได้ครองราชสมบัติในสองแว่นแคว้นดังนี้แล้วตรัสทีคาวุกุมารชาดกอีกเหมือนกันแล้วตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายที่คาวุกุมารถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปลงชีวิตอยู่อย่างนั้นก็ไม่ก้าวล่วงโอวาดของพระชนนีและพระชนกเหล่านั้นแล้ว ภายหลังได้ทิดาของพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแค ว, ว, ว้นโกสลทั้งสองแล้วส่วนพวกเธอทั้งหลายไม่ทําตามคำของเราทํากรรมหนักดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเปเรจะนวิจานันติยามะเมธายามามเซเยจะตัทธวิจานันติ ตโตสั่มมันติเมทะคาก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในถ้ากลางสงนี้ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า เปเป็นต้นความว่าเราชนผู้ทําความแตกราวยกบัณฑิตทั้งหลายเสียคือพวกอื่นจากบัณฑิตนั้นชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นทําความวุ่นวายในถ้ำกลางสงนั้นย่อมไม่รู้สึกตัวว่าเราทั้งหลายย่อมย่อยยับคือป่นปี้ฉิบหายได้แก่ไปสู่ที่ใกล้ คือสำนักมริตยูเป็นนิษรบาประกาถาว่าเยจะัตถาวิญญาณติความว่าชวนเหล่าใดผู้เป็นบัณฑิตในหมู่นั้นยอมรู้สึกตัวว่าเราทั้งหลายไปสู่ที่ใกล้มริตอยู่บาพระคาถาว่าตะโตสัมมันติเมทคาความว่าชนเหล่านั้นรู้อยู่อย่างนี้แล้ว ยังการทำความในใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดขึ้นแล้วย่มปฏิบัติเพื่อความสงบความหมายมั่นคือความทะเลาะ ก, กันเมื่อเป็นเช่นนั้นความหมายมั่นเหล่านั้นย่อมสงบเพราะความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งพึงทราบอธิบายในพระคาถานี้อย่างนี้ว่าคาว่าเป ร, ะเรจะ เป็นต้นความว่าชนทั้งหลายแม้อันเราตถาคตกล่าวสอนอยู่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ทำความแตกร้ากันดังนี้เป็นต้นในการก่อนก็ไม่นับถือเพราะไม่รับโอวาทของเราชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นยอมไม่รู้สึกตัวว่า เราทั้งหลายถือผิดด้วยอำนาจอาคติมีฉันทาเป็นต้นยอมย่อยยับได้แก่พยายามเพื่อความเจริญแข่งเหตุอันทำความพินาศมีแต่ร้าวกันเป็นต้นในถ้มกลางสงนี้แต่บัดนี้บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่านั้นในระหว่างแห่งเธอทั้งหลายนั้นพิจารณาอยู่โดยอุบายที่ชอบยอมรู้ชัดว่า เมื่อก่อนเราทั้งหลายพยายามอยู่ด้วยอำนาจอคติมีฉั้นทาเป็นต้นปฏิบัติโดยไม่ชอบแล้วความหมายมั่นที่นับว่าความทะเลาะกันในบัดนี้เหล่านี้ย่อมสงบจากสํานักบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นคือเพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นด้วยประการชนนี้ในการจบคถา ภิกษุผู้ประชุมกันได้ดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี